ทรงอนุญาตไว้ว่าอนุชานามิพิขเววัษสาเนวสังปุปะคันตุงข้อความละนเววัตสุปนาจิกาแปลว่าเราตถาคตอนุญาตให้เข้าถึงการฝนก็คือเข้าจำพรรษาในฤดูฝนก็แล้วเข้าบรรษานั้นมีสองอย่างก็คือปุริมิกาวัตสุปนาจิกาเข้าบรรษาต้นเข้ารรษาแรกก็คือวันพระจันทร์เต็มดวง สวยฤกอาสารหะแล้วไปวันหนึ่งหลังจากวันอาสารหพุชาเป็นวันแรมขํา1หนึ่งเดือนแปดตามสยามจารีตก็คือประเพณีในประเทศไทยนี้เป็นวันเข้าพรรษาที่ต้นพรรษาแรกแล้วก็ปัชิมิกาวัตถุปัญิกาวันเข้าพรรษาที่หลังคือวันพระจันเพนเต็มดวงสวยฤกชื่อว่าอาสารหะล่วงไปแล้วเดือนหนึ่ง คือวันแรมค่ำหนึ่งเดือนเก้านี้เป็นวันเข้าปรรษาหลังเมื่อเข้าภรรษาพึงปฏิบัติวิหารปัดกวาดตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไว้ทำสามอิจกรรมทั้งปวงเป็นต้นว่าไหวพระเจดีเสร็จแล้วพึงเปลง่วาจาว่าอิมัสมิงวิหารเรอิมังเตมาสังวัสังอุเปมิดังนี้ห น, หนึ่งก็ได้สองหนหรือสามผลก็ได้เข้าปรรษาเถิดถ้ามีอะไรว่าเราจะอยู่ในที่นี้ แต่ด้วยไม่มีสติไม่ได้เข้ารรษาด้วยเปล่งวาจาเศนาสนะที่ตนถือเอาแล้วแต่สงก็เป็นอันถือเอาแล้วด้วยดีทันสารนิขาดย่อมได้เพื่อประวัตนาแท้แค่ทําอาลัยไว้ก็ถือว่าเป็นการเข้ารรษาเลยนะด้วยว่าถึงว่าเว้นวจีเพศเสียก็คือเว้นการเปล่งวาจาแม้ด้วยมากว่าทำความอาลัยก็เป็นอันเข้ารรษาได้แท้ จิตตุบาทที่คิดว่าเราจะอยู่ในที่นี้นี่แหละชื่อว่าอาไยในที่นี้แค่ทำจิตตุบาทคือการเกิดขึ้นของความคิดว่าเราจะอยู่ในที่นี้ก็ชื่อว่าเป็นการเข้าจำภาษาละถึงวันเข้ารรษาไม่อยากจะเข้าบรรษาแกล้งล่วงอาว่าไปเตีย้ยต้องทุกกดเมื่อไม่ได้เข้าภรษาที่แรกด้วยอันตรายอันใดอันหนึง่งพึงเข้าบรรษาที่หลังด้วยว่าไม่เข้าภรษาเลยเป็นทุกกดจำรรษาไม่มีเสนาสนะก็ต้องทุกกดเหมือนกัน เสนาสนะมุงด้วยเครื่องมุงทั้งห้าอันใดอันหนึ่งและประกอบด้วยประตูสำหรับติดเปิดได้ไม่มีแก่เธอใดเธอนั้นชื่อว่าไม่มีเสนาสนะจำภาษาในกระท่อมผีในร่มในตุม่มในโพรงไม้ในคาคบไม้เหล่านี้ต้องทุกกดแต่ในป่าช้าจะทำกุฏีอื่นขึ้นจำภาษาควรอยู่แต่ในร่มแลตุม่มแะโพรงไม้คาคบไม้เหล่านี้ล้วนอย่างเดียวไม่ควรก็คือ ถ้าอยู่ในร่มในตุ่มในโครงไม้ล้วนๆคาคบล้วน น, นนี้ไม่ได้ไม่ควรต้องบัตทุกกฎถ้าที่เหล่านั้นมีหลังคาและฝาประตูเปิดเปิดได้ย่อมควรจะเข้าจำรรษาในวัชะก็คือพวกโคต่างพวกนี้นะที่อาศัยอยู่แห่งคนเลี้ยงโคและในหมูเกวียนหรือว่าในเรือก็ควรที่อาศัยอยู่แห่งคนเลี้ยงโคนั้นเขายกไปข้างไหน เมื่อไปด้วยพรรษาในขาดไม่เป็นอาบัติด้วยด้วยทรงอนุญาตให้ไปด้วยแต่เมื่อจะเข้าบรรษาในหมู่เกวียนนั้นถึงวันเข้าบรรษาพึงว่ากับอุบาศกว่าได้กุดีจึงจะควรถ้าเขาทําถวายพึงเข้าไปในกุดีนั้นแล้วก็กล่าวว่าอิทัวัสังอุเปมิดังนี้สามผลก็คือข้าพเจ้าจำพรรษาในที่นี้แหละ ถ้าเขาไม่ทาถวยายไซส์พึงเข้าพรรษาในภายใต้เกวียนที่ตั้งอยู่โดยสังเกตว่าเป็นศาลากมุตไปใต้เกวียนนั่นนะนะอธิษฐานเลยเมื่อไม่ได้ซึ่งที่เช่นนั้นพึงทําความอาลัยเถิดก็ตั้งจิตไว้แล้วเราจะมสาสัตว์ในนี้แหละที่นี้แหละจะเข้าแต่ในหมู่เกวียนเปล่าไม่มีกูดีไม่ควรต้องได้กูดีมาดว่าจิตุบาที่คิดว่าเราจะอยู่ในที่นี้นี่แหละชื่อว่าอาลัย เมื่อหมู่เกวียนยังเดินทางอยู่เป็นวันออกพรรษาไซพึงประวารณาในหมู่เกวียนนั้นเถิดถ้าหมู่เกวียนถึงที่ที่ทิกษุประสงค์เข้าในภายในพรรษาแล้วเขาก็ล่วงไปทิกษุพึงอยู่ในที่ที่ตนประสงค์แล้วประวารณากับทิกษุทั้งหลายในที่นั้นเถิดถ้าแม้หมู่เกวียนเขาหยุดอยู่ในบ้านอันหนึ่งหรือว่าเรี่ยรายตันไปในระหว่างในภายในพรรษา ก็พึงอยู่กับพิจูตทั้งหลายในบ้านนั้นแล้วปวารณาเถิดจะไม่ปวารณาจะไปต่อไปไม่ควรแณเมื่อจะเข้าภาษาในเรือก็ต้องเข้าในกุดีแท้เมื่อแสวงหากุดีไม่ได้พึงทําความอาลัยเถิดถ้าในภายในสามเดือนเรืออยู่ในทะเลนั่นเองก็พึงปวารณาในเรือนั้นเถิดถ้าเรือถึงฝั่งเข้าพิจูอยากจะไปต่อจะไปไม่ควร พึงอยู่ในบ้านที่เรือถึงแล้วปวารณากับพิจุทั้งหลายเถิดถ้าแม้เรือไปในที่อื่นตามปริ่มฝั่ ง, งแม้พิจุอยากจะอยู่ในบ้านที่เรือถึงเข้าก่อนแท้เรือจงไปเถิดพิจุพึงอยู่ในบ้านนั้นแล้วปวารณากับพิจุทั้งหลายเถิดในวัชระก็คือพวกโคต่างและก็ในหมู่เกวียนในเรือสามอย่างนี้ไม่เป็นอาบัติเพราะข า, าดภาษาย่อมได้เพื่อปวารณาด้วยประการดังนี้ ข้อรรษาไม่อยู่สิ้นสามเดือนที่ก่อนหรือว่าสามเดือนที่หลังหมายถึงภาษาต้นหรือว่าภาษาหลังเนี่นะหลีไปเที่ยวจาริกต้องทุกกดต้องอยู่ให้ตลอดสามเดือนแต่ข้อรรษาแล้วแม้ไม่ยังอรุณให้ต้นขึ้นและหลีไปจากอาวาสในวันนั้นด้วยสัตตาหาการณยิยักษคือกิจจะพึงทำเจ็ดวันและกลับมาภายในเจ็ดวันไม่เป็นอบัตถ้าอยู่สองสามวันแล้วจึงหลีไปด้วยสัตตาหาการณยิยักษ และกลับมาภายในเจ็ดวันจะว่าไปทำไมคือไม่ต้องว่าถึงว่าไม่เป็นอบัตแน่นอนขนาดยังไม่ผ่านวันคืนนึงไปเลยนะไปสัตหะไปแล้วอ่ะยังไม่ทันให้อารณุณขึ้นอ่ะสัตหะไปแล้วก็ยังกลับมาภายในเจ็ดวันได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าอยู่สองสามวันแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงลนะไปได้และซึ่งจะไปด้วยสัตหะกาตรนิยะนั้นดังนี้ คนเจ็ดจำพวกก็คือภิกษุภิกษุณีาานาสิกามนาสมเณรสมเณรีมารดาบิดาเหล่านี้เป็นไข้หรือว่ามีเหตุอื่นเป็นต้นว่าเกิดความกระสันขึ้นแม้ไม่ส่งข่าวมานิมนต์และจะไปด้วยสัตหาการณิยะเพื่อจะรักษาไข้และรำลับความกระสันเป็นต้นก็ควรแต่คนสองจำพวกก็คืออุบาสกอุบาสิกาเตาสร้างวิหารเป็นต้นและส่งข่าวมาให้ที่ถูไป เพื่อจะถวายทานและฟังธรรมเป็นต้นพึงไปด้วยตดตาหัการนิยะเถิดเมื่อเขาไม่รงขามานิมนต์อย่าพึงไปอันหนึ่งจะไปด้วยจิตสงเป็นต้นว่าตัดไม้มาซ่อมแปลงเสนาสนะ ก, ก็ควรอันหนึ่งจำภาษาอยู่แล้วสัต ร, ร้ายหรืองูหรือโจรหรือปีศาจเบียดเบียนและโจรคามไฟไหมหรือว่าน้ำพัดไปเสียกดีหรือเสนาสนะไฟไหมหรือลอยน้ำไปเสียกดี ย่อมลำบากด้วยบินทบาตนะเสนาตนะและไม่ได้ของฉันพออิ่มหรือว่าของฉันที่เป็นที่สบายหมายถึงว่าไม่มีตะปลายะเนี่ยนะหรือไม่ได้เทตัดที่เป็นของสบายและคนอุปทานที่สมควรจะคิดว่าอันนี้ก็เป็นอันตรายและจะหลีไปเสียก็ไม่เป็นอบัับแต่พรรษาขาดไม่เป็นอับัติแต่เป็นสาขาดอันหนึ่งบ้านโคจรคามหนีโจรไปเสียพิจุจะตามบ้านไปประควร คือตามพวกคนในหมู่บ้านไปอันหนึ่งจำพรรษาอยู่หญิงหรือว่าหญิงแท่นทยาเป็นต้นมากเกลี้ยกล่อมว่าจะให้เงินทองนาที่บ้านและโคและภาสุทิดาภรยาหรือเห็นกุมทรัพย์ไม่มีเจ้าของก็ดีและคิดว่าพระองค์ตรัสไว้ว่าจิตเป็นของกลับกรอบทันอันตรายแก่พรมจันทร์จะพึงมีแก่เราดังนี้แล้วหลีกไปเสียไม่เปี่ยนอบัตแต่ว่าพรรษาก็ขาด ก็คือไม่ได้อ่า น, นิสสานสองภาษาแน่นอนอันหนึ่งได้เห็นหรือว่าได้ยินที่สุทั้งหลายพยายามจะทําลายสงและคิดว่าพระองค์ตรัสไว้ว่าสังฆเทศเป็นครุ ก, กรรมเมื่อเราอยู่เฉพาะหน้าอย่าให้สงแตกเลยดังนี้แล้วก็หลีกไปเสียกด็ดีหรือได้ยินว่าในอาวาสน้น ท, ที่สุนัสทิสุนีพยายามจะทําลายสงและคิดว่าเธอทั้งหลายเหล่านั้นเป็นมิตรสหายแห่งเราเราจะไปตักเตือนห้ามปราบเธอ เธอคงจะฟังคําเราทางนี้แล้วหลีกไปไม่เป็นอบัตแต่ภาษาขาดภาษาขาดแล้วจะปรณามไม่ได้ก็ไม่ได้อานิสงค์ของการชมระ น, นะไม่สามารถรับกระถินได้ด้วยอันหนึ่งเขานิมนต์ให้จําราสามเดือนและรับเขาแล้วทําให้คลาดไปเป็นปฏิสวรคทุกกฏใช่แต่กระทํำความนิมนต์เข้ารรษาให้คลาดอย่างเดียว แม้เขานิมนต์ว่าท่านจงถือเอาพิฆาตสิ้นสามเดือนหรืองัดกันว่าเราทั้งสองจัะจำภาษาในที่นี้จะเรียนบาลีในที่อันเดียวกันก็ดีรักแล้วและทำให้คลาดไปเป็นทุกกดแต่ทุกกดนั้นเคราะเดิมจิตบริสุทธิ์ภายหลังทําให้คลาดแม้เดิมจิตไม่บริสุทธิ์เป็นปาจิตติเพราะรักเป็นทุกกดเพราะทําความรักให้คลาดถ้าเดิมตั้งใจว่าจะไม่ทํา มีจิตไม่บริสุทธิ์ตอนทีแรกก็เป็นปฏิปีทำให้คลาดใจก็บัตรทุกกดด้วยแต่ว่าที่แรกมีจิตบริสุทธิ์ทาให้คลาดใจในภายหลังก็อบัตรทุกขกดเป็นปฏิเสวะทุกขกดอันหนึ่งท่านสอนไว้ว่าที่สู่ผู้เข้าจำปรรษาพึงว่าแก่ทิฏฐุซึ่งตั้งนิพพัทธะวะัตวัดประจํานิพพัทธะวะัดเป็นเครื่องผูกหมายถึงผูกไม่กว่า ตั้งนิพัทธวัดไว้ในภายในปัญหาให้ผูกไม้กวาดไว้ถ้าคันแนตี่หาง่ายรูปห น, หนึ่งนี้พึงผูกไม้กวาดกรรมไว้ห้าหรือหกกากรารบคันไว้สองถึงสามคันไม่กวาดการรกับไม่กวาดที่มีคันถ้าคันแนตี้หายากพึงผูกไม้กวาดการรไว้สองสามกมผูกไม้กวาดที่เป็นคันไว้คันหนึ่งก็ได้ สามเนรทั้งหลายพึงสับคบไว้คนละห้าอันห้าอันในที่อยู่พึงปักพรมด้วยน้ำฝาดแม้เมื่อจะทำกติกากันก็อย่าพึงทำอาจรรมิกวัตรคือวัดที่ไม่เป็นธรรมคือห้ามกันว่าอย่าบอกบาลีอย่าเรียนบาลีอย่าสาธยายอย่าให้กุลบวดบวดและอุปสมบทอย่าให้ยิ้มใส่อย่าทำธรรมมสวนะด้วยว่าทั้งปวงนั้นเป็นการเลื่อนช้า เราทั้งหลายจะเป็นคนใ่เนิ่นช้าทำสมณธรรมอย่างเดียวเถิดหรือว่าทั้งหมดด้วยกันจงถือธุดงทั้งสิบสาข้ออย่าสำเร็จการนอนจงให้วันคืนล่วงไปด้วยการยืนและการจงกรมเถิดจงถือบุคควัดคือทำเป็นใบไม่บูดัำเนี่ยนะแม้ผู้ไปด้วยสัตหาการนิยะอย่าพึงได้การแจกของเลยดังนี้ชื่อว่าอธรรมมิกวัตวัดที่ไม่เป็นธรรมถ้าทาเป็นทุกกฎ ถ้าใครปั้นขวัดเหล่านี้โมฆะวัดก็คือถือไม่พูดกันทําดังนั้นก็เป็นทุกข์กฎพึงนับกันดังนี้ว่าวิสัยปริยัติธรรมย่อมยังสัตธรรมทั้งสามให้ดํารงอยู่ก็เริ่มจากปริยัติธรรมเนี่ยการศึกษาธรรสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสามารถเรียนทำให้พระสัตธรรมสามก็คือปริยัติสัตธรรมพระปฏิบัติสัตธรรมแล้วก็ปฏิเวทสัตธรรมดำรงอยู่ได้ เพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายจงบอกและเรียนสาธยายโดยเคารพเถิดอย่าทำความกระทบกระทั่งแก่ทิกตุซึ่งอยู่ในประทานาคระก็คือเรือนที่บำเพ็ญเพียรที่เจริญสมณธรรมอย่าไปทำเสียงดังหรือกระทบกระทั่งให้เดือดร้อนไม่เป็นตะประยะแต่ท่านเหล่านั้นผู้ที่กำลังปฏิบัติกำลังปรกรเพียรอยู่ในปธานาคระเรือนบาเพ็ญเพียรพึงไปในทายในวิหารบอกเรียนสาธยายเถิด จงทำธรรมสวระให้มั่นคงใครในการฟังธรรมะยิ่งขึ้นเพื่อจะให้กุลบุตรบวชพึงชําระให้พ้นบรรพชาโทษชําระแล้วให้บรรพชาชําระให้พ้นโทษแล้วให้อุปสมบทชําระแล้วก็ให้ทิสัยด้วยว่าแม้กุลบุตรผู้หนึ่งได้บรรพชาและอุปสมบทเข้าจะยังศาสนาทั้งสิ้นให้ดํารงได้อันหนึ่งด้วยกําลังของตนอาจเท่าไรพึงสมาทานทุดงเท่านั้นเถิด ภยในภาษากลางวันทั้งสิ้นในกลางคืนในยามที่แรกและที่สุดเพึงไม่ประมาะเทเถิดพึงปารบความเพียรเถิดแม้พระมหาเถระทั้งหลายแต่ก่อนท่านตัดเสียซึ่งกังวลทั้งปวงบัมเพญเอกะจารยวัตรก็คือประพฤติอยู่ผู้เดียวในภายในภาษาอันหนึ่งพึงรู้ประมาณในการพูดกระทำระถาคำพูดปรารบวัตถุสิทธิธ์ปา ร, รบอตุภัสสิทธิ์ ปราลบอนุสติติปปราลบอารมณ์สามแปดจึงควรพึงทาวัดแก่อาคันตุกตะและอัปโลกให้ของแกผู้ไปด้วยสตากาตัญญะจึงควรนัดการเช่นนี้ชื่อว่าธรรมนิกวัตวัดที่เป็นธรรมพึงทาเถิดอันหนึ่งพึงสอนที่สุดทั้งหลายว่าอย่ากล่าวแก่งแย่งคำยุยงส่อเสียดทำหยาบจงนึกถึงศีลอย่าให้จตุรารักเสื่อมไปเสีย จตุรารักก็คือธรรมะสี่อย่างซึ่งเป็นตัวอารักฐานทานก็ไม่ได้แสดงว่าอะไรธรรมะเป็นเรื่องรักษาสี่อย่างแต่ว่าธ ร, รมะสีอย่างที่จะต้องเจอเขาเรียกว่าสัพพะถะกรรมฐานกรรมฐานที่จําปรารถนาในที่ตั้งพวงหรือว่าอารักฐกรรมฐานกรรมฐานควรจะต้องรักษาไว้ก็ได้แก่พุทธานุสติเมตามรรณาสติแล้วก็อสุภะสี่อย่างอยากให้จตุรารัก์ เสื่อมไปเสี้ยจงมีมสติการมากอยู่ทุกวันทุกวันเถิดอันหนึ่งพึงบอกวัดในที่จะเคี้ยวไม้สีฟันเมื่อจะไหวเจดีหรือต้นโพหรือว่าบูชาด้วยของหอมและมาลาหรือเอาบากเข้าในถุงอยู่อย่าพูดเพราะว่าพูดมันก็ทำให้ไม่ได้มณติการถึงพระพุทธคุณหรือว่าหลงลืมสติอันเวลาที่บูชาไหวพระเจดีต้นโพก็ควรจะน้อมนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มันก็น้อมนําพิจารณาไปอย่าพูดคุยกันเวลาที่เอาบาดเข้าถุงอยู่ก็ระวังเพราะว่าบรดในกรณีแตกหายบาดดินนัานเถอพูดหรือว่าตปพูดคุยเรื่องอื่นก็าอาจารย์หลองลืมสติแล้วก็ทาให้บริขารเสียหายพึงบอกพิขาจารวัฏอย่าพึงพูดคากรอบด้วยปัจจัยหรือคาไม่สมควรกับมนุษย์ในภายในบ้านพึงรักษาอินทรีย์พึงบําเพ็ญขันธกะวัฏและเสกียวัฏ คำพูดที่จะนําออกจากโทษทุก์เช่นนี้แลพึงพูดพึงบอกกันและกันพูดเป็นไปในอริยสัจเพื่อใชให้เกิดความเบือหนายชายกําหนัดเห็นโทษของวัตตะอันนี้สมควรที่จะพูดกันคําว่าอิมัสหนิงวิหารเรออิมังเตมาสังวัสังอุเปมิแปลว่าเราเข้าถึงฝนสิ้นสามเดือนในวิหารนี้หรือว่าเราเข้าจำบรนศาวาสังก็คือบรรษานั่นเองเราเข้าจำบรรษา เป้นสามเดือนในวิหารนี้ก็แลววิหารระพท์นี้ในบาลีมักเป็นชื่อแห่งกุดีในอรกถฐาบางแห่งก็เป็นชื่อแห่งกุดีบางแห่งก็เป็นชื่อแห่งวัดในที่นี้จะเป็นชื่อแห่งกุดีหรือว่าวัดก็ไม่แน่นะเพราะเหตุ น, นั้นอธิษฐานภาษาพร้อมกันในที่ประชุมแล้วมาถึงกุดีอธิษฐานด้วยคานั้นอีกก็เป็นการดีสมกับบาลีว่า อาติปเตวิหารังอุเปติเสนาตนังปัญญาเป ต, ติดังนี้อันหนึ่งในที่ประชมกล่าวพร้อมกันว่าอีมัสหมิงอาวาเสอีมังเตมาสังวัสังอุเปมิตรดังนี้ก็ได้ด้วยว่าอาวาสัตในบาลีเป็นชื่อแห่งวะโดยมากอันหนึ่งกล่าวดังนั้นผสมในบาลีว่าดาวีสุอาวาเสสุวัสังวัตติอยู่จํำสาในอาวาาของแห่งไม่ได้อีโทษดังนี้ ก็แลประชุมกันกล่าวคําอธิษฐานพร้อมกันนี้เป็นโบราณนัติคือโบราณอาจารย์ทั้งหลายท่านพาทำมาเพื่อจะแสดงสามคีอันหนึ่งคำอธิษฐานพรรษาเล่าก็ไม่ใช่บาลีเป็นแต่คําอัตกถาเพราะเหตุนั้นท่านจึงทําแต่ความอะไรก็ได้อันหนึ่งโบราณคติตืบมาท่านบอกเขตวัดและบอกให้รู้จักอรุณอรุณแดงขึ้นมาแล้วให้ออกจากวัดได้ ข้าวัดให้ทันอรุณขาวก่อนอรุณแดงอรุณขาวนี่ก็ยังไม่ขึ้นนะอรุณยังไม่ขึ้นถ้าอรุณแดงนี่ก็แสดงว่าพระทิตย์ขึ้นละก็แสดงถึงเวลาเช้าวัสุปนัิกาจบต่อไปจะกล่าวในตาวรณาพระองค์ทรงอนุ ญ, ญาตไว้ว่าอนุชานามิภิกขเวเข้อความละวัดสังวุฒนานังภิก ข, ขูนงขางข้อความละปฏิกริสามีติ แปลว่าเราสถาพน์อนุญาตให้ทิสุซึ่งอยู่จำปาศแล้วปภาวณาด้วยที่สามพืฐานก็คือด้วยได้เห็นด้วยได้ยินด้วยรังเกียดปภาวณานั้นจะเป็นความอนุโลมแก่กันและกันและจัดเป็นความยังกันและกันให้ออกจากอาบัตและจัดเป็นความทําวินัยในเบื้องหน้าแก่กันและกันแห่งท่านทั้งหลายทิสุทั้งหลายพึงปภารณากันอย่างนี้ให้ทิสุผู้ฉราด พึงประกาศให้สงรู้ด้วยยัตติว่าสุมาตเมพันเตสังโฆอาชาปวรมาปนาระศียดีสังคัสละปะตะกัลังสังโฆปวาริยะดังนี้แล้วที่ตู่ผู้เป็นเถระพึงทำผ้าผมเฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งยองยกมือประนมกล่าวกะชงว่าสังขังอาวุโสปวารมิ ดิเทนวาสุเตนวาปริสั้นกายวาวัดันตุมังอาเยสมันโตอนุกัมปังอุปาดายะปะสันโตปฏิกริสามิดุติยัมปีอาวุโสปวาเรมิดิเทนวาสุเตนวาปริสั้ a กายวาวัดันตุมังอาเยสมนโตอนุกัมปังอุปา n ายะปะสั้นโตปฏิกริสามิตาติยัมปีอาวุโสสั้งคังปวาเรมิ เทนวาสุเตนวาปริสรงกายยวาวดันตุมังอายสัมนโตอนุกรรมตังอุปาดายะปัสันโตปปิการิสตามิดังนี้แล้วพิกตุนุ่มก็ทีละองค์ทีละองค์ก็พึงทําผ้าห่มเฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งยองแล้วก็ยกมือประนมกล่าวว่าสร้างธรรทันเตปวาเรมิดิเทนวาสุเตนวาบริสร้งกายยวาวดันตุมังอายสัมมนโตอนุกรรมตังอุปาดายะ ปัจนโตปฏิกริยามีดุติยม ป, ปิพันเตสั่งคำประวาเรเอนิตัดติยม ป, ปิพันเตสั่งคำประวาเรเอนิเพราะความละเหมือนกันหมดปฏิกริยามิวิธีต่างนี้ชื่อว่าประวารนาประรนานี้ก็มีความหมายหลายอย่างโระานาก็คือยอมให้ว่ากล่าวติตเจนจะได้ในวันประวารนาอย่างนี้ก็ได้ถือว่าปวารณาหมายถึงห้ามพัดก็ได้หรือว่าปวารณาหมายถึงอนุญาตให้ขอปัจจัยก็ได้ หมายลายอย่างก็แลประวรณานั้นว่าโดยวันก็มีสามวันก็คือจาตุรสีวันที่สิบสี่ปนารสีวันที่สิบห้าและสามะคีวันที่สองแปดคันแล้วก็รวมกันได้พร้อมเพียงกันนับแต่วันทําอุโบสถก่อนได้สิบสี่วันให้ตั้งยติว่าอัชชปวรณาจาตุรสีถ้าได้สิบห้าวันให้ตั้งยติว่าอัชชะประวัณิปนารสี ดังนี้ถ้าจำรมษ า, าทีก่อนให้ทำปตรณาในวันเพนเดือนสิบเอ็ดถ้าจำรมาสาแรกถ้าวุ่นวายด้ยวยการทะเลาะชักปกรณาไปวันสิ้นเดือนสิบเอ็ดหรืว่าวันเพนเดือนสิบสองถ้าเกิดมีการทระเลาะมีการเล่ารามแตกร้าวกันหรือว่าจะทําสังฆเภศกันเนี่ยสงฆ์จะแต่กันก็เลื่อนปกรณาไปได้เขาเรียกว่าปตรณนาสงเคราะห์มีการเลื่อนปกรณาไปครึ่งเดือนหรือว่าเลื่อนไปเดือนหนึ่ง ไปวันเพ็ญเดือนสิบสองก็ได้หรือว่าวันสิ้นเดือนสิบเอ็ดก็ได้ถ้าจําภาษาที่หลังให้ทําโรวนาในวันเพ็ญเดือนสิบสองอันนี้เลื่อนไม่ได้เป็นสุดนะในระหว่างนั้นเดือนหนึ่งยกเสียสองวันยกสองวันก็คือวันสิ้นเดือนสิบเอ็ดกับวันเพ็ญเดือนสองเพราะว่าเป็นวันปรณาเป็นวันสิกสี่ท่ามหรือสิบห้าท่ามเนี่นะยกสองวันนี้เสีย เป็นวันเขตแห่งสามัคคีปรณนาดังกล่าวแล้วในบุตที่เหลือนะก็สามารถจะทําปวรณาสามัคคีได้จะสงแตกกันแล้วก็รวมกันได้วันไหนภายในเดือนนี้ยกเว้นสองวันนี้เสียก็เป็นวันสามัคคีของปรณนาได้อันหนึ่งปวรณาว่าโดยผู้ทําก็มีอีกสามก็คือสังฆปวรณาคณะปรณาแล้วก็ปุคละปวรณาที่สู่ตั้งแต่ห้าขึ้นไปชั่วสง์ ในปรนธา้าอุโบสถในสี่าปรณานี้าพึงทำปรนาดังกล่าวแล้วก่อนเถิดสี่รูปหรือว่าสามรูปสองรูปชื่อวัาคณะพึงทำปรนาดังนี้ถ้าสี่รูปหรือว่าสามรูปให้ภิกษุผู้ชราพึงประกาศให้รู้ด้วยคณะยัตติว่าสุมันตเมียยศมันโตอัชะปวรนาปนารสี ยดายาสมันตานังปัตตนังมะยังอัญยะมันยังปวารียามะดังนี้แล้วที่ตุผู้เป็นเถระจึงทำท่าหมเฉียงบาทั้งหนึ่งนั่งยองยกมือประนมกล่าวกับที่ตุทั้งหลายนั้นว่าอะหังเอาโสอายาสมนเตปวารเรมิดิเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวดานตุมังอยาสมโตอนุกรรมปังกุปปายะ ข้อความละดูติยมปีอาวุโสข้อความละตาติยมปีอาวุโสอายสัมมเตปวารีมิข้อความละเหมือนเดิมปติกฤริสามิดังนี้แล้วพิกตุนหนุ่มทุกๆรูปก็ทําดังนั้นโดยลาดับกล่าวว่าอหังพันเตียสัมมเตปวารีมิข้อความละดูติยัมปิพันเตข้อความละตาติยัมปิพันเตียสัมมเตปวารีมิข้อความละปติกฤติสามิ ดังนี้อันนี้ก็กำรับสี่รูปสามรูปตั้งคณะยะติส่วนถ้าสองรูปไม่ต้องตั้งยติประชุมกันแล้วปัตติสุเทระพึงตามผ้าผมเฉียงบ่าข้างหนึ่งนั่งยองยกมือประนมกล่าวปาัตภิษุหนุ่มว่าอาหังอาวุโซอายสมันตังปวาเเรมิติเทนวาสุเตนวาปริสังกายวาวะดัตุมังอาเยสมมา อนุกำปังอุปาดายปัสนโตปติการิสามิรุติยติอวุโสก็กําละเหมือนกันตาิยมิอวุโสอยสมนตักปวารเอมิดิเทนวาตุเตนวาปริสั่งกายวาวัดตุมังอาญาสมะอนุกำปังอุปาดายะปะสัสนโตปติกริสามิดังนี้แลพิจุนมก็พึงทาดังนั้นกล่าวกับพัทธระว่าอาหังพันเตอยสมัมนตังปวาเรเอมิ จิตเทวทุตินวาบรสงกายวะวดตุมังยศมตอนุกปอุปาายปโตปฏิกสามิติยปิพันเต ย, ยสมตังปวารมเหมือนกันดังนี้อย่างนี้ชื่อว่าคณะปะวารณาถ้าอยู่รูปเดียวชื่อว่าบุคคลอยู่รูปเดียวถึงวันปรณาเข้ากับพุงคําอุปกรเป็นต้นว่ากวาโรงปรวารณานั่งคอยที่จุอื่นอยู่ในสีมา ติ๊กตุอื่นมาก็พึงทําสังฆปราณาหรือว่าคณะปราณากับติ๊กตุนั้นตามมากหรือว่าน้อยถ้าเห็นว่าไม่มาแล้วพึงอธิษฐานว่าอัจฉริปวารณาดังนี้ในอธิษฐานก็สอนให้เติมวันเข้าด้วยว่าอัจฉริปวารณาจาตุดสีติอธิษฐานิถ้าสิบสี่คัาถ้าสิบห้าคัมกับอัจฉริปวารณาปนารสีติอธิษฐ า, า 14, 5, 5, 5, น, น, าานาาิดังนี้ตามวันที่สิบสี่หรือว่าสิบห้ อย่นี้ก็ชื่อว่าปุคละประวรณาบุคคลอเ น, นึ่งโบราณอาจารย์กล่าวไว้ว่าปรวารณามีเก้าดังอุโบสถแต่ว่าไม่ได้บัญญัติชื่อไว้ทั้งหมดไม่ได้บัญญัติชื่อไว้ให้หมดส่วนในมูลสิกขากล่าวว่าปรวารณาว่าโดยอาการจะพึงทํามีสามก็คือเตวาจิกาปรวารณาอย่างหนึ่งเดเววัจิกาปรวารณาอย่างหนึ่งแล้วก็เอกาวาจิกาปรวารณาอย่างหนึ่ง ก็คือปรนนาว่าสามครั้งปรนาว่าสองครั้งปรวนว่าครั้งหนึ่งอันหนึ่งถ้ากล่าวว่าอันนี้ท่านบอกเองท่านอมตาพิรัสิตาท่านก็แสดงความเห็นว่าถ้ากล่วาวว่ายติปรนนาอย่างหนึ่งอยัยติปรนนาอย่างหนึ่งแล้วก็อธิษฐานปรนนาอย่างหนึ่งดังนี้ก็จะได้เหมือ่าัก็คือปรนนาแบบตั้งยติตั้งยติก็ก็สงก็ตั้งสังคยติคณะก็ตั้งคณะยติ แต่ว่าอายติปรณาก็คือพิกษุนสองรูปตัวมาตา น, นี้ก็ไม่ต้องตั้งยติก็เรียกว่าอายติปรณาส่วนพิสุรูปเดียวก็เรียกว่าอธิฐานปรณาแต่นี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าในอธิษาท่านไม่ได้แสดงอย่างนี้หรอกต่อไปก็ยังมีอีกก็คือยติปรณาเนี่ยก็ยังแยกเป็นสองก็คือสังขายติปรณากับคณะยัติปรณาสังคายติก็ห้ารูปขึ้นไป คณะยติก็สี่รูปกับสามรูปเราต้องตั้งคณะยติด้วยปรนนาส่วนอัยติปรนนาเนี่ยก็มีสองเหมือนกันก็คือถ้าสองรูปปรนนาแก่กันสองรูปปรนน่าแต่กันอย่างหนึง่งถ้ารูปเดียวเนี่ยนะรูปเดียวหรือว่าสองรู ป, ปรแปลแตกหรือว่าสามรู ป, ปรแปลแต่ประวนน่าในสำนักพิสุอื่นซึ่งมากกว่าทำอุโบสถแล้ว ในสำนักของพิกสุที่ท่านทําอุโบสถกันแล้วอะแต่ว่ามากกว่าเช่นการปรณาแต่ว่าพิสุอยู่รูปเดียวหรือว่าสอรูปหรือว่าสามรูปแต่ว่ามีพิกสุอื่นอยู่สี่รูปขึ้นไปที่เขาจำพรรษาได้จำพรรษาได้ก็กกอยู่สี่รูปขึ้นไปฉะนั้นก็ต้องทําอุโบสถเมื่อเขาทำอุโบสถแล้วพิกสุหนึ่งรูปสองรูปสามรูปก็ไปปรณาไปแสดงโกรณาต่อพิสุเหล่านั้นอันนี้ก็เรียกว่าอายติโกรณา เป็นสองนะส่วนอธิษฐานปรนนาก็คือบุคคลปรณนานั่นเองบุคคลรูปเดียวอยู่รูปเดียวก็อธิษฐานปรณนาเอาอันหนึ่งการตั้งสังคยตินั้นมีห้าอย่างด้วยกันตั้งสังคยติมีห้าอย่างตั้งเป็นสัพพะสังคายิกาอย่างหนึ่งตั้งเป็นเตวาวิจิกาอย่างหนึ่งตั้งเป็นตเววาวิจิกาอย่างหนึ่งตั้งเป็นเอกะวาจิกาอย่างหนึ่งแล้วก็ตั้งเป็นสมานวัติกาอย่างหนึ่ง ก็เป็นวิธีการในการภาวนานทั้งนั้นเลยเป็นวิธีการในการภาวนานถ้าตั้งว่าตุมาตุเมพันเตสังโฆแล้วก็ปัตตะกําลังแล้วก็ลงปลายว่าสังโฆปวาริยะดังนี้ชื่อว่าสัพสะสังขารการยติก็คือการตั้งยติแตับสงเคราะห์หมดเลยสงเคราะห์หมดเลยพูดรวมๆไปภาวนานแบบรวมๆไป เมื่อตั้งเช่นนี้แล้วปรานารูปละสามหนก็ได้รูปละสองหก็ได้รูปละหนเดียวก็ได้ถ้าตั้งยติแบบนี้เนี่ยเป็นสัพเพสังขายาจารก็ปรนารมครัง้งสองครั้งหครั้งเดียวได้ทั้งนั้นเลยแต่ถ้าพรรษาเสมอกันจะประนาพร้อมกันอย่างเดียวนี้ไม่ควรถ้าเป็นสัพเพสังคายายติจะประนาโดยที่มีพรนศาเสมอกันปรนาพร้อมกันไม่ได้เมื่อตั้งยติ ถ้าลงตอนท้ายว่าสังโคโตเตวาจิกังปวารยะดังนี้แล้วปรนารูปละสามผลอย่างเดียวจึงควรอย่างอื่นไม่ควรเลยก็ตั้งยติว่าเตวาจิกาปรนาร์เนี่ยนะสังโคโตเตวะจิกังปวารยะเนี่ยต้องกล่าวสามครั้งเมื่อตั้งยติว่าสังโคไดเววาจิกังปวารยะดังนี้แล้วจะปรนารูปละสองผลและรูปละสามผลก็ควรแต่ปรนา รูปประหนเดียวแล้วภาษาสเสมอกันว่าพร้อมกันไม่ควรเมื่อตั้งยติลงปลายว่าสังโคโอเอกะวาจิกังตมารยะดังนี้แล้วจะตรณนานรูปประผลหรือว่ารูปรสองหนสามหนก็ควรทั้งนั้นเลยแต่ภาษาสสเสมอกันว่าพร้อมกันอย่างเดียวไม่ควรก็คือถ้าตั้งยติน้อย จะว่ามากไม่เป็นไรแต่ถ้าตั้งยติว่ามากว่าสามครั้งนี้สองครั้งครั้งเดียวนี้ไม่ควรว่าสามครั้งเท่านั้นเมื่อตั้งยติลงปลายว่าสังโฆสมานวัสิกังปวารยะดังนี้แล้วปรนาทั้งปวงย่อมควรทั้งสิ้นเลยถ้าบอกว่าให้ปรนาให้มีปัญษาเสมอกันว่าพร้อมกันควรทั้งสิ้นเลยจะว่าสองครั้งสามครั้งครั้งเดียวได้เท่นั้นเลยแล้วก็ปัญษาเสมอกันก็ว่าพร้อมกันนี่นะต่อ มีเหตุจึงจะทําได้บอกว่าซึ่งปรนณาองค์สองผลองค์ละผลหนึ่งและประนณาพรรษาเสมอกันว่าพร้อมกันนี่นะต่อมีเหตุจึงจะทําได้เมื่อไม่มีเหตุจะทําไม่ควรเหตุนั้นเป็นต้นว่าทายกถวายทานอยู่หรือว่าพิกจุฟังทำอยู่กาตรีจวนสว่างเสียปรนณาองระสามผลไิทันหรือมีอันตรายทั้งสิบอันใดอันหนึ่งปรนณาองค์สามผลไิทัน ใหปรณ า, ารูปละสองผลเมื่อปรานารูปละสองผลไม่ทันก็ให้ว่ารูปละบลเดียวเมื่อว่ารูปละผลเดียวไม่ทันที่มีภาษาเสอเมอกันให้ว่าพร้อมกันก็ได้แต่ต้องตั้งยติดังนี้ก่อนว่าสุนาตเมผันเตสังโฆอะยังบรัมจริยันตราโยสัจเจสังโฆเทวะจิกังปวารีสติปวาริโตวะสังโฆภเวสติ หาถ้ายังบ ร, รมจาริยันตรารโยภวิสตเตยดีสังคัสลาปะตะกันลังสังโคตดเววาจิกังหรือว่าเอกวจิกังหรือว่าสมานะวสิกังปวาระยะดังนี้แล้วพึงปรวรณาตามยาตินั้นเถิดอันนี้กล่าวพอเป็นตัวอย่างเมื่อเหตุอื่นมีก็พึงตั้งยติหันไปตามเถิดก็คือหมุนไปตามเหตุนั้นแนหะ อันหนึ่งปรารณากรรมก็มีสี่อย่างเหมือนกถ้าในวิหารอันเดียวเมื่อพิโุอยู่ห้ารูปนำปรารณาแห่งเธอรูปหนึ่งไปสี่รูปก็ตั้งคณะยะติแล้วปรารณากันหรือว่าอยู่สี่รูปสารูปนำปรารณาแห่งเธอรูปหนึ่งไปแต่สามรูปหรือว่าสองรูปตั้งสังคยติแล้วปรารณากันทั้งปวงนั้นชื่อว่าอะธรรมเมนะวะักังเป็นวักโดยไม่เป็นธรรม ถ้าแล่ห้ารูปทั้งหมดประชุมแห่งเดียวกันตั้งคณะยติแล้วปวารณาหรือว่าสี่รูปสามรูปสองรูปอยู่ด้วยการประชุมแห่งเดียวกันตั้งสังคยติแล้วปรวารณาทั้งปวงนั้นก็ชื่อว่าอธรรมเมนะสมคังพร้อมเพียงโดยไม่เป็นธรรมถ้าในห้ารูปนำปรวรณาแห่งเธอรูปหนึ่งไปแต่ว่าสีรูปตั้งสังคยติแล้วปรวารณาหรือว่าสี่รูปส า, ามรูปนำปรวรรณาแห่งเธอรูปหนึ่งไป ว่าสามรูปหรือว่าสองรูปตั้งคณะยะติแล้วปวารณากันทั้งปวงนั้นชื่อว่าธรรมเมนะวคังเป็นวักโดยธรรมถ้าแล่ห้ารูปทั้งหมดประชุมกันแห่งเดียวตั้งสังคยติแล้วปวารณาหรือว่าสีรูปสามรูปประชุมแห่งเดียวกันตั้งคณะยะติแล้วปวารณาและสองรูปปวารณาแก่กันและกันอยู่รูปเดียวกระทําอธิษฐานปวารณา ทั้งปวงนั้นชื่อว่าทมเมนะสมัังพร้อมเพียงกันโดยธรรมในการสีน่นี้สามข้างต้นนั้นไม่ควรควรแต่ข้างปลายอย่างเดียวฉะนั้นก็คือพร้อมเพียงกันโดยธรรมนะอันหนึ่งเมื่อพระเถระนั่งยองปรวรนาอยู่และพิสุนมนั่งราบลงในอาสนะต้องทุ ก, กต้องอนุญาตให้นั่งยองปรวรนาต่อไปเรื่องหนึ่งพระเถระ ถ้าเทระแก่นะนั่งยองอยู่จนภราณาแล้วก็สยบลงก็คือล้มสลบพระองค์ก็ทรงอนุญาตอีกให้นั่งยองอยู่ในระหว่างนั้นกว่าตัวจะภาวนาแล้วเมื่อภาวนาแล้วก็ให้นั่งราบในอาสนะวินิจฉัยนอกนั้นก็อพึงรู้ดังกล่าวแล้วในอุโบสถเถิดต่อไปก็จะกล่าวบาลีมุตตะวินิจฉัยตามอัจฉริยถ้าที่สุจำภาษาทีกรห้ารูป หมายถึงจำภาษาแรกห้ารูปจำภาษาที่หลังห้ารูปเมื่อผู้จำภาษาที่ก่อนตั้งยติปวรณาแล้วผู้จำภาษาที่หลังพึงทําปาริสุทธิอุโบสถในสานักแห่งผู้จำภาษาที่ก่อนนั้นเถิดอย่าพึงตั้งยติสองขนในโรงอุโบสถอันเดียวกันไม่ได้นะจะมาตั้งยติสองครั้งในโรงอุโบสถไม่ได้ ถ้าแม้ผู้จำภาษาที่หลังสี่รูปหรือว่าสามรูปแล้วสองรูปหรือว่ารูปเดียวก็ในนั้นเหมือนกันแท้ถ้าผู้จำภาษาที่แรกสี่รูปผู้จำภสษาที่หลังสี่รูปหรือว่าสามรูปสองรูปหนึ่งรูปก็ในนั้นเหมือนกันแท้ถ้าแม้ผู้จำภาษาที่ก่อนสามรูปผู้จำภสษาที่หลังก็สามรูปหรือว่าสองรูปหนึ่งรูปก็ในนั้นเหมือนกันอันนี้แลเป็นลักษณะในปวรณากรรมนี้ ถ้าผู้จรภาษาที่หลังน้อยกว่าหรือว่าเท่ากันกับผู้จรราษาที่ก่อนไซ้ย่อมเป็นคณะปูรกักแห่งสังฆปราณนาได้พึงตั้งยติเป็นสังฆปราณนาเถิดถ้าแลผู้จรภาษาที่ก่อนสามรูปเป็นสี่กับผู้จรรมสาที่หลังรูปหนึ่งสี่รูปนั้นจะตั้งสังฆยติแล้วปราณนาไม่ควรแต่เธอรูปเดียวนั้นย่อมเป็นคณะปูรกักแห่งคณะยะติ เพื่อเหตุนั้นพึงตั้งยัติเป็นคณะแล้วผู้จำภาษาที่ก่อนสามรูปพึงปรณนาแล้วผู้จำภาษาที่หลังรูปหนึ่งพึงทําปาริสุธิอุโบสถในตำแหน่งเธอทั้งหลายนั้นเถิดผู้จำภาษาที่ก่อนจำภาษาแรกสองรูปผู้จำภาษาที่หลังสองรูปหรือว่ารูปหนึ่งก็ในนั้นเหมือนกันแท้ผู้จำภาษาที่ก่อนรูปเดียวผู้จำภาษาที่หลังก็รูปเดียวเหมือนกันดังนี้ ให้ผู้หนึ่งประเวณานในสํานักแห่งผู้หนึ่งผู้หนึ่งทําปริสุทธิอุโบสถในสานักผู้หนึ่งนั้นเถิดถ้าผู้จำพรรษาที่หลังมากกว่าผู้จำพรรษาที่ก่อนแม้สักรูปหนึ่งมากกว่าแม้รูปเดียวนี่นะพึงสวดปาติโมขึ้นก่อนมาถึงวันมหาประเณานี่นะผู้จำพรราแรกมีน้อยกว่าผู้จำพรรษาหลังแม้รูปเดียวไม่ต้องประเณ า, นานให้สวดปาฏิโมขึ้นก่อน ภายหลังผู้น้อยกว่านั้นพึงปวรณาในสำนักผู้มากนั้นเถิดทำปาณิโมคข์แทนะตั้งมาปรณนาที่หลังแต่ในวันปรณาในวันเทนเดือนสิบสองก็คือวันปรนนาหลังเน้นะถ้าผู้จำพรรษาทีหลังมากกว่าหรือเท่ากันกับผู้จำพรรษาที่แรกซึ่งได้ปรณนาแล้วในวันมหาปรนนาไซพึงตั้งยติปรณาแล้วปรณนาเถิดถ้าผู้จำพรรษาหลังเนี่ย มีมากกว่าหรือว่าเท่ากันเลยนะก็ให้ทํำปรณนาให้ทําปรณนาแล้วก็ผู้จําภาษาแรกก็ให้แสดงบริสุทธิ์แสดงบริสุทธิ์กับติกสุที่ปรณนาในภาษาหลังนั้นเมื่อผู้จําภาษาที่หลังปรนาแล้วภายหลังผู้จำภาษาที่ก่อนพึงทําปริสุทธิอุโบสถในสํานักแห่งเธอทั้งหลายนั้นเถิดถ้าผู้ปรณนาแล้วในวันมหาปรณนามา ก, ก็คือผู้จำภาษาแรกเนี่ยมีมากกว่า ผู้เข้าพรรษาที่หลังน้อยกว่าหรือว่าน้อยกว่ารูปเดียวก็แล้วแต่เมื่อสวดปาฏิโมกข์แล้วภายหลังผู้น้อยกว่านั้นพึงปารณาในสํานักแห่งติสุผู้มากนั้นเถิดให้ผู้จํามาษาหลังเนี่ยก็ปรารณาในติสุที่จํามันาแรกแต่ว่ามีมากกว่าเพราะนั้นก็ให้สวดปาฏิโมกข์แล้วก็ผู้จํามันาหลังก็ทําปรนนาอันหนึ่งทิสุ จปัาษาที่แรกอยู่ผาสุวิหารก็คืออยู่เป็นผาสุกมากเห็นว่าปรณาเสียในวันมหาปรณาจะเสื่อมจากดิ์าสุวิหารเสียอนนาจจะฐานขาก็แสดงว่าผาสุวิหารในที่นี้หมายถึงว่าได้วิปัสนายัางอ่อนได้สมถารือวิปัชนายที่เป็นตรูณ์ยังอ่อนเสียเพราะฉะนั้นก็ถ้าปรุณาแล้วที่ถึงหลายก็ ต, ตามคนตากหลีกไปก็จะทําให้สมถัยปัชนาที่ยังอ่อนเนี้ยมันเสื่อมไปเพราะว่าได้ บุคคลสปญยะอยู่ด้วยกันได้จําถาวิปัสนาที่ยังอ่อนเพดัะนั้นถ้าหลีกไปแล้วก็อาจจะทําให้เตือ่อมเพราะฉะนั้นก็เลื่อนปรณนาได้เขาเรียกว่าปรณนาสงเคราะห์นักจะทำปรณนาสังหะคือทำอุโบโสถเสียในวันนั้นชักวันปรณนาไปในวันเพ็ญเดือนสิบสองด้วยยัตติกามก็ได้ก็เลื่อนไปอีกเดือนหนึ่งสังขมพันเตปวาเรเอมิตเ ท, ทนวาขอความลับปฏิกริสามิแปลว่า ข้าพเจ้ายังสงให้ปรณนาทั่วหรือว่าขอปรณนาต่อสงด้วยการได้เห็นก็ดีหรือว่าด้วยได้ยินหรือว่าด้วยรังเกียจทำทั้งหลายผู้มีอายุจงอาศัยความปราณีว่ากล่าวค่ะข้าพเจ้าเถิดเมื่อข้าพเจ้าเห็นข้าพเจ้าจับกระทําคืนด้วยเท่านี้ปรนนาจึงเป็นความอนุโลมแก่กันและกันและยังตัดกันให้ออกจากอาบัติและทําวินัยให้เป็นเบื้องหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องของปวนนธาเพราะฉันก็ ขอให้ท่านพระภิกษทุทั้งหลายเป็นผู้ที่จดจำำํานําคําสอนเหล่านี้ไปประพฤติเพราะว่าเป็นสิ่งที่เนื่องกับชีวิตของพระภิกษุการเข้าจำพรรษาการปรณนาการทําอุโบสถต่งางๆเหล่านี้เป็นชีวิตเนื่องด้วยชีวิตความเปลี่ยนแปลงของภิกษุเรียกว่าอาชีพอาชีพเป็นไปกับชีวิตการเลี้ยงชีพของพระภิกษุแหละโปรโบสดปรณนาสังฆกรรมต่างๆเหล่านี้เป็นสังวาสเป็นสิ่งที่จะต้องอยู่ร่วมกันทีนั้นก็ เพื่อเฟือโดยการตระพฤตชอบเพื่อกูลจน ก, การที่จะดำรงชีวิตอยู่ให้เป็นพระจุด้วยความผาจุกเจริญงอกงามในศีลในวัดเพื่ออบรมสมถะวิปัสสนาผูา้ความพ่อคูณแห่งตรจิกหาจะได้บรรลุอริยมรรคผลเป็นสาวกของมสสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการในเนินช้านี้ก็ขออนุโทนาสาธุการทุกท่านสาธุสาธุสาธุ